วันนี้นับว่าเป็นโอกาสอํำหนวยพวกคณะสิทธิ์ที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีของพวกเราได้มาพักค้างปฏิบัติธรรมที่วัดหลวงพ่อร่วมกับคณะศรัทธาญาติโยมที่มารักษาศีลวันนี้รู้สึกว่าเกือบเต็มศาลาของหลวงพ่อ ศรัทธายาตโยมที่มารักษาศีลทุกวันพระในพรรษาอีกสามอาทิตย์หรือสามสัปดาห์ก็จะออกพรรษาแล้วปี2549วันนี้ก็เป็นวันที่ส5หแล้วก็วันที่เจตุลาเป็นวันออกพรรษาจากนี้ไปสามสัปดาห์ก็ออกพรรษาเพราะนั้นลูกหลาน ได้พอมาศึกษาปฏิบัติธรรมมาทัศนะศึกษาว่าพระพุทธศาสนาพระครูบาอาจารย์ที่อยู่ป่าดงพงภัยอยู่ไกลอยู่วัดป่าอย่างนี้ท่านมีกิจกรรมอะไรท่านทำอย่างไงและญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติในวัดวาศาสนาท่านทำอย่างไร ตามให้จริงกิจกรรมประจำวันของพระมีมากมายหลายอย่างเฉพาะวันพระแดค่ำสิห้าค่ำวัดของหลวงพ่อเองก็มีการไหว้พระสวดมนต์อย่างที่พวกเราทานทั้งหลายได้เห็นจากนั้นก็มีการผูกธรรมะแนะนำธรรมะให้แก่คณะศรัทธาญาติโยมที่มารักษาศีลและมาปฏิบัติธรรมให้ได้เรียนรู้ได้รับรู้รับทราบเมื่อ ไหว้พระฟังธรรมจบลงไปแล้วก็จะมีการนั่งภาวนาต่ออีกจักชั่วระยะหนึ่งจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับหาที่พักอันนี้เคยทำมาเป็นประจำตั้งแต่เริ่มสร้างวัดป่านาคำน้อยมาเพราะนั้นลูกหลานมาวันนี้มาเจอมาเห็นวันนี้ก็ได้มาร่วมกิจกรรมในการไหว้พระสวดมนต์และก็ฟังโกวาทของหลวงพอ่อ ต่อไปก็คงจะนั่งปฏิบัติธรรมพิธีการนั่งภาวนาจากนั้นก็ได้แยกย้ายกันกลับวันนี้พวกคณะนักศึกษาได้มาวัดของหลวงพ่อรู้สึกว่าอุ่นหนาฟ้าข้างอบอุ่นว่างั้นแตรวมกันทั้งหมดทั้งครูบาอาจารย์ทั้งนักศึกษาด้วยเจท่านราะนั้นต่อ น, นี้ไป หลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมลิยกถาคือนํำทำคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาแนะนํามาพูดกล่าวให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายเพื่อจะได้ยินได้ฟังสรุปแล้วคือหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์สอนให้รู้จักตนเองคือไม่ให้หลงลืมตัวเองให้สํานึกสำเนียดในการเป็นอยู่ของตอนเอง อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเป็นนักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่มาในวันนี้ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจเราเรียนศึกษาให้ดีนะลูกหลานเพราะว่าการศึกษาไม่มีที่สิ้นสุดถ้าพวกเราตั้งอกตั้งใจศึกษาอนาคตของเราก็สดใสแต่ถ้าว่าพวกเราทั้งเรียนไปด้วยทั้งศึกษาไปด้วยทั้งเที่ยวเตรไปด้วย ไม่สนใจเท่าที่ควรการศึกษาของเราก็ตกต่ำเมื่อจบการศึกษาไปแล้วไปสมัครงานที่ไหนไปแข่งเขาไปสอบที่ไหนก็ไม่ได้ไม่ติดเพราะเหตุไรเพราะวิชาที่เราเรียนอ่อนเราไม่ได้ตั้งใจเรียนเราจะไปตำหนิครูบาอาจารย์เราจะไปตำหนิพ่อแม่เราจะไปตำหนิใครไม่ได้ทั้งนั้นนอกจากจะตำหนิตนเอง ว่าเราขาดการเอาใจใส่ในการศึกษาของพวกเราวายนั้นการศึกษาของพวกเราเป็นหน้าที่ของเราเฉพาะตัวพ่อแม่ก็เพียงแต่ว่าสนับส น, นุนครูบาอาจารย์ก็ให้คำแนะนำสั่งสอนคนนั้นรับเต็มเต็มก็คือตัวของพวกเราเองเราจะไปโยนทิ้งเราจะไปโยนให้ผู้อื่นเป็นผู้รับจากเราคงไม่ถูกต้อง เพราะนั้นให้ลูกหลานทั้งหลายให้ต้อง อ, อกตั้งใจเราเรียนศึกษาอย่าได้ขาดตกบกพร่องเพราะขณะนี้เป็นโอกาสที่พวกเราเราเรียนศึกษาไม่ใช่พวกเราจะเที่ยวเตะสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาโอกาสนั้นยังไม่มาถึงแต่โอกาสนี้เป็นโอกาสเรียนเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านลูกหลานทุกๆคนให้ตั้ง อ, อกตั้งใจเรียนด้วยความตั้งใจ เพราะว่าวิช า, ขาแขนงนี้เป็นวิชาขึ้นมาใหม่แต่ก่อนหลวงพ่อก็ไม่เคยได้ยินพึ่งมาเคยได้ยินไม่กี่ปีมานี่เองแต่จะว่าไปแล้วคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็ได้ยินอยู่เป็นเรื่องที่สุดวิสัยสาหรับคนรุ่นหลวงพ่อแต่พอมาถึงยุคนี้สมัยนี้ยุคคอมพิวเตอร์ก็จะต้องเรียนรู้ถามว่าลูกหลานทั้งหลายไม่ตะ อ, อ, อกตั้งใจเรียน ประเทศชาติบ้านเมืองก็ไม่ทันโลกของเขาโลกของเขาเข า, เขาก้าวไปไกลแต่เมืองไทยของเรายัางล้าหลังถ้าจะว่าไปเขาบอกว่ายังล้าหลังอยู่แต่ถึงยังไงก็ดีกว่าหลายประเทศในแถบเอเชียของเราแต่ถึงยังไงยังไงก็ยังด้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราหลายประเทศอย่างสิงคโปร์ขปนญี่ปุ่นญี่ปุ่นพวกเรายังล้าหลังเขาอยู่เพราะนั้นพวกลูกหลานทั้งหลายเมื่อได้เขามาศึกษาแล้วนกะ็ตั้งอกตั้งใจ เอาจริงๆเรียนจริงๆให้เป็นสมบัติของชาติลูกหลานนี่แหละจะเป็นสมบัติของชาติบ้านเมืองถ้าลูกหลานตั้งอกตั้งใจเรียนทั้งความรู้ด้วยทั้งความประพฤติด้วยก็จะเป็นทรัพยากรของชาติอย่างมีคุณค่าแต่ถ้าว่าพวกลูกหลานทั้งหลายไม่ตั้งใจเรียนความประพฤติก็ไม่ดีเที่ยวสัมมาเลเทเมาการศึกษาก็ตกต่ำทรัพยากรของชาติก็ ไม่มีคุณภาพไม่มีคุณค่าเพราะนั้นคุณค่าของชาติก็คือมนุษย์หรือว่าคนในชาตินี่แหละเป็นคุณค่าชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งของชาติก็คือมนุษย์หรือว่าคนในชาติถ้าว่าคนในชาติทำตดไม่ให้มีคุณค่าแล้วชาตินั้นก็ด้อยลงไปหมดคุณภาพหมดคุณค่าอย่างประเทศเพื่อนบ้านของพวกเรา ในยุคสมัยหนึ่งรู้สึกว่าคนในชาติของเขาฆ่ากันทั้งสองสามล้านคนแปลว่าคนในชาติคุณภาพต่ําไม่ได้มองเห็นกันด้วยการศึกษาอันนี้ก็น่าคิ ด, ดเหมือนกันเมืองไทยของเราเป็นเมืองมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศรรมมีลธรรมมีจริยธรรมเพรานั้นลูกหลานจะคิดจะทําอะไรก็ตามให้มันให้ขยันให้อดทน ในการเราเรียนศึกษาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งวิชาที่พวกเราเรียนมาเนี่ยเป็นวิชาที่ใช้ความคิดใช้จติตใช้ปัญญาอย่างมากถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นวิชาที่ใช้ i อสูง i อคแปลว่าความรู้ความฉลาดความสามารถสูงเพราะนั้นให้ลูกหลานพยายามถึงไหนก็ตามแต่ถ้าว่าการเรียนการศึกษาถ้าตั้งอยู่ในอิทธิบาท คือคุณเครื่องให้สําเร็จความประสงค์สี่อย่างอย่างที่พระพุทธเจ้าได้มั่นยัดหรือว่าได้ตรัสเอาไว้อิทธิบาตคือคุณเครื่องให้สําเร็จความประสงค์สี่อย่างฉันทะคือความพอใจวิริยะเพียรพยายามกิตตะเอาใจฝักใฝ่มีมังสามันไรตรทองเหตุและผลที่พวกเราจะได้เรียนได้ศึกษาไม่เหลือวิสัยถ้าว่าใช้อิทธิบาตที่พระพุทธเจ้า ท่านได้บอกเอาไว้ไม่เหลือวิสัยเพราะนั้นพวกเราลูกหลานทุกคนถ้าเรียนมันก็คงไม่เหลือวิสัยถ้าว่าใช้อิธิบาตชันทะวิริยะกิตตาวิมังสาเข้ามาดำเนินตามแนวแถวนี้แล้วแต่ตามไม่จริงคอมพิวเตอร์ถ้าจะเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสมองของคนหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบให้แก่ศรัทธาญาติโยมใครต่อใครฟังหมอวิทยาศาส ต, ตัวนี้ ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนมันสมองของคนถ้าว่าคนไม่ไปกดคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มันก็ไม่ทํางานมันก็อยู่อย่างนั้นถ้าคนไปกดคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็ทํางานคิดเรื่อง น, นั้นคิดเรื่องนี้ทํานั้นทำนี้ก็ น, น, นี้ก็เหมือนกันในหลักของพุทธศาสนานคอมพิวเตอร์เหมือนสมองแต่คนที่ไปกดคอมพิวเตอร์นั่นหละคือใจในร่างกายของเราน่ยมีอยู่สองอย่าง คือกายกับใจรูปประธรรมและนามธรรมอาศัยกันอยู่รูปประธรรมคือร่างกายตั้งแต่หัวจุดเท้าอันนี้เรียกว่ารูปประธรรมส่วนนามธรรมนั้นมองไม่เห็นโดยตาเนื้อคือความคิดความนึกคิดที่ฝันไปก็ยังมีออกไปจากร่างกายเหมือนกับเรารู้สึกตัวอยู่อันนี้แหละนามธรร ม, ามนามธรรมมาอาศัยร่างกายอีกอย่างหนึ่ง แต่มาอาศัยร่างกายมันก็มาสั่งร่างกายมาสั่งสมองให้ทําการทํางานให้คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ขึ้นมาอันนี้แปลว่าไายกับใจแต่ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสนใจเรื่องใจเนะี่ยมากกว่าเรื่องรูปธปรรมเพราะนั้นพวกลูกหลานทั้งหลายที่เรียนคอมพิวเตอร์นี่ก็คือเรียนเรื่องสมองนะผู้ไปกดคอมพิวเตอร์นั่นก็คือไปใช้คอมพิวเตอร์ อย่างอินเทอร์เน็ตอย่างนี้กดเข้าไปใช้เข้าไปถ้าใช้ไปในทางที่ถูกมันก็เป็นมงคลถ้ากดไปในทางที่ผิดมันก็สังหารตัวเองได้ไง่ายๆเหมือนกันถ้าว่ากดไปในทางที่ถูกมันก็เป็นวิชาความรู้ความรู้รอบตัวแต่ถ้าว่ากดไปในทางที่ผิดมันก็เป็นเรื่องหายนะเข้ามาหาตนเองอย่างมากเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันถ้าสั่งสมองไปในทางที่ถูก ในการเรียนหนังสือในการพูดจาพาทีในการทําการทํางานเป็นชิ้นเป็นอันกับผู้คนสนทนาปารบถูกต้องตามกฎตามระเบียบก็เป็นคุณค่าทางว่าคอมพิวเตอร์ตัวนี้กดเข้าไปในทางที่ผิดคิดไปในทางที่ผิดแล้วปล่อยไปทางวาจาด่าคนอื่นแล้วก็ปล่อยออกไปทางกายเตะตีคนอื่นทาร้ายคนอื่นพลที่สุด มันก็ย้อนเข้ามาหาตัวผู้ใช้อีกเหมือนกันตัวผู้ใช้คือใจผลที่สุดใจก็ทุกข์ละทีเมื่อไปตีเขาเข้าแล้วเขาก็ถูกจับเข้าคุกเข้าตารางถูกโทษทันต่างๆอันนี้ก็เหมือนกันขอให้ลูกหลานทั้งหลายใช้ให้มันเกิดประโยชน์อย่าไปใช้ให้เป็นโทษแต่ใช้ให้เป็นโทษก็มีเรื่องราวต่างๆอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เยอะแยะไปหมดทุกวันนี่บางคนก็ใช้ไปในทางมิจฉาชีพก็มี บางคนก็ใช้ไปในทางที่ถูกต้องใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองกับชุมชนประเทศชาตินี่แหละบางคนก็ใช้ไปในทางโคดโกงเราได้ยินมากต่อมากในหน้าหนังสือพิมพ์บางทีคนนั้นตรวจจับกันไม่หวัดไม่ไหวนี่แหละเพราะมันไฮเทคนี่นะงานเถอะเรื่องคอมพิวเตอร์เพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายก่อนที่จะใช้ก่อนที่จะทำต้องมี ศีลธรรมจริยธรรมในจิตใจให้มีศีลธรรมในจิตใจอย่าไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วจะเดือดร้อนตนเองนะั่นแหละเป็นอันรแรกต่อไปก็เดือดร้อนประเทศชาติบ้านเมืองเดือดร้อนไปทั้งโลกเพราะว่าการกระทําของเราไม่ถูกต้องวันนี้ลูกหลานได้มาศึกษาธรรมะปฏิบัติแต่ถึงอย่างไงก็ขอให้ลูกหลานเป็นคนดีให้มีศีลธรรมมีจริยธรรม คนทั้งหลายอยากจะเห็นทรัพยากรของชาติเป็นคนดีออกไปทาการทำงานแล้วก็ทุกวงการอยากจะให้เป็นคนดีให้รู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักคุณบิดามารดาไวยวุฒคุณวุฒควรทำตัวอย่างไรอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างไรอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องตน้นแต่ว่าพวกเราไปณสถานถิ่นใดมีแต่ความแข็งกระด้างไม่รู้จักไวยวุฒคุณวุฒ คนในชาติก็รู้สึกเอื่อมละอาทำไมลูกหลานของเราลูกหลานเหลนของพวกเราจึงเป็นอย่างนี้สรุปแรกก็คือลูกหลานของพวกเราจิตใจไย ไ, ไปทางโลกจะมากกว่าไม่ได้สนใจเรื่องธรรมะแต่ธรรมะคือความถูกต้องคือความเป็นธรรมถ้าว่าเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาต่อไปภายภาคหน้าถ้าเราไปทำให้แก่พ่อแก่แม่แก่พีแ่แก่น้องแก่ครูบาอาจารย์ ทำให้ท่านหนักกหนักใจท่านจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าเป็นอย่างเราเราจะมีความรู้สึกอย่างไรแต่เมื่อนั้นพวกเราก็มันสายเกินไปเสียแล้วเพราะพวกเราได้ทําแต่สมัยเมื่อเราเป็นหนุ่มแต่เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเราพึงสํานึกสำเนียกได้ให้พวกที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็สํานึกไม่ได้อีกผมมาได้สอนกันเพราะนั้นพวกเราลูกหลานทั้งหลายเมื่อได้มาศึกษาธรรมะปฏิบัติแล้วก็ให้ดูตนเอง พวกเราอยู่ในสถานะไหนในขณะนี้เราเป็นนักศึกษาเราเป็นเด็กเรายังไม่ได้ทำหน้าที่การงานเงินทุกบาททุกสตังค์ที่เราได้มาใช้อยู่ทุกวันนี้ได้มาจากคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่พวกเราบางคนก็ฐานะดีบางคนก็ฐ า, า, านะไม่ดีบางคนก็ได้ยิบยืมคนอื่นมาเพื่อจะให้ลูกได้โรงเรียนศึกษาแต่บางคนก็ฐานะดีเพราะไม่มีปัญหาอะไร เพรนั้นถึงจะฐานะดีหรือไม่ดียังไงก็ตามการใช้จ่ายก็ให้หลุกหลานทั้งหลายสำนึกสำเนียกเอาไว้อย่าไปใช้แบบสุรุย่ยสุร่ายเพราะว่าพ่อแม่ของเราก่อที่จะหาเงินมาให้ลูกเรียนหนังสือนั้นไม่ใช่ท่านเสกคาถาเป่าพูดเป่าพีทเข้ามาแล้วก็มีเงินหลั่งไหลามาไม่ใช่อย่างนั้นท่านก็ได้ทําการทํางานเหงือกอยาาติ่งๆเหมือนกันก่อที่จะได้เงินมาแล้วก็มาก็เอาให้ลูก ถ้าลูกขอเท่าไหร่ท่านก็ไม่ขัดไม่ขืนเพราะความรักลูกเนี่ยยิ่งกว่ารักเงินรักเงินเนี่ยรักน้อยกว่ารักลูกเพราะนั้นกลัวลูกเสียอกเสียใจถึงจะกั้มคืนไม่พออกคอใจขนาดไหนก็ไม่พูดอให้ไปมีตบ่บ่นสองตายายมีตบ่บ่นอุปบอุปบบอกอลูกเราทําไมใช้เงินเปืองนักคนอื่นของเขาทําไมไม่ใช้เปืองขนาดนี้เขาใช้อะไรทําไมเปืองนักเขาก็ไม่กล้าบ่นให้ลูกฟังอีก มีแต่สองตายายสองผัวเมียขอเราบ่นกันเท่าะะนั้นเองเพเห็นนั้นพวกเราที่เป็นลูกทั้งหลายก่อนที่จะใช้ใจ่ายอะไรให้คิดให้ดีซะก่อนอย่าไปใช้แบบชุ่วลุยชั่ายจนเกินไปทําให้พ่อแม่ของเราหนักกกหนักใจแต่ถ้าเมื่อเราได้ทําการทํางานแล้วยังค่อยใช้อย่างเต็มที่แต่ทราบว่าพวกเราใช้ชุ่วลุยชั่วไลอย่างเดียวนี้พวกเราคิดดูกันแล้วกันเมื่อเราจบไปแล้ว เราทำงานราชการเขาจะตัดเงินเดือนขั้นแรกเท่าไหร่พวกเราถ้าหากว่ามีมจิตสํานึกอยู่พวกเราคงจะรู้ว่าเขาจะตัดขั้นแรกเท่าไหร่ที่หลวงพ่อทราบทราบมาประมาณหกเจ0ดบาททุกวันนี้อาจจะขึ้นแล้วก็ไม่รู้นะแต่ที่ว่าเราใช้เงินจากพ่อจากแม่หมดเดือนละหมื่นกว่าบาทอย่างเนี้ยถ้าว่าเรามาทําการทํางานเงินไม่พอใช้แต่วก็พ่อแม่ก็เอา้าทําการทํางานแล้วก็พ่อแม่จะ เมาลงนะนะทีนี้นะพ่อแม่จะไม่ให้ใช้แล้วนะพ่อแม่จะถอยถอยออกแล้วนะแล้วเราจะทํำยังไงเพราะว่าเราไม่เคยคิดไปก่อนว่าการที่จะประหยัดนั้นคืออย่างไรเพราะฉะนั้นเสียงเหล่านี้ให้พวกเราที่เป็นนักศึกษาที่มาฟังคําพูดมาศึกษาพระป่าอย่างหลวงพ่อหลวงตาอยู่ในป่าในโรงพูดให้พวกเราสํานึกสําเนียกเอาไว้นะอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ให้เรารู้ว่าเรา ควรจะทำตัวอย่างไรในเมื่อเราเป็นเด็กเราเป็นนักศึกษาคนระนั้นการใช้จ่ายอะไรก็ตามเรื่องแต่งตรงแต่ ง, งตัวเรื่องค่าใช้จ่ายการอยู่การกินฟุ่มเฟือยการเลี้ยงสังสรรค์สิ่งเหล่านั้นพวกเราควรจะสำนึกสำเนียวก็ยังไม่ใช่เงินของเรายังเป็นเงินพ่อเงินแม่ของเราอยู่เพราะเงินพ่อเงินแม่เนี่ยถ้าเราเออกมาใชา้เราต้องคิดให้ดี ถามว่าเป็นเงินของเราหามาได้ด้วยตนเองแล้วเอออันนั้นอีกอย่างหนึ่งอย่างบุลงบุหรี่อย่างเหล้าอย่างนี้ก็เหมือนกันถามาพวกเราเอาเงินพ่อแม่ไปซื้อเหล้าเลี้ยงหมูซื้อบุหรี่มาสูบอย่างนี้พ่อแม่ท้องถันบางทีก็ไม่สูบบุหรี่ก็เม็ดก็แมมแต่พวกเราเอามาใช้แบบชุลุยสุล่าฟุ่มเฟือยอย่างนี้มันก็ผิดประสงค์ของพ่อของแม่เหมือนกัน เพราะสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนักศึกษาแล้วอีกไม่นานจะเป็นบัณฑิตกับัณฑิตแปลว่าผู้เฉลียวฉลาดท่อรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าบัณฑิตเป็นบัณฑิตออกมาแล้วให้พวกเราคิดให้รอบขอบคิดให้รอบด้านมองให้ไกลอย่าไปมองใกล้ๆถ้ามองใกล้มันสะดุดอะถ้ามองไกลและมองให้กว้างขวางแล้วพวกเราจะเดินไปยังไงที่ไหนอย่างไรทํายังไงเพื่อที่จะถูกต้องเป็นธรรม นันนะ่พวกเราจะประสบความสําเร็จแต่พวกเราไม่มองไกลมีแต่ความสุกเอาเผากินในการเป็นอยู่ของพวกเราพวกเราจะประสบความสําเร็จแต่ยากเหมือนกันนะลูกหลานนะอันนี้ฟังเอาไว้นะลูกหลานเป็นความคิดความพูดของหลวงพ่ออยู่ในปาน่าดวงพงไพที่ว่าหลวงพ่อพูดไม่ผิดก็แล้วกันนะถ้าว่าลูกหลานไม่สํานึกสําเนียกแล้วลูกหลานจะเอาตัวไม่รอด ถ้าว่าลูกหลานเป็นผู้หมั่นขยันอดทนมัธยัติแล้วลูกหลานก็จะเอาตัวรอดได้ง่ายๆในหลักของพระพุทธศาสน า, ศ า, ศาพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ทิฏฐ ธ, ธ ร, รมมีกัตตประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันสอย่างอุทฐานะสัมปทาถึงพร้อมโดยความหมั่นความขยันหมั่นขยันอดทนหมั่นขยันในการเล่าเรียนศึกษาหมั่นขยันดูกิจกรรมที่เป็นหน้าที่ของเรา ที่เราจะต้องเรียนจะต้องศึกษานะอุทธธานสาะสัมปทาอรักขาสัมปทาถึงพร้อมโดยการรักษาคือรักษาทรัพสมบัติที่แสวงหามันโดยความยากลำบากหรือว่าหน้าที่การงานของเราที่เราเรียนมาแล้วเราไปสมัครงานได้อย่างนี้เราก็รักษาหน้าที่การงานอั น, นันเอาไว้เรียกว่าอรักขาสัมปทาถึงพร้อมโดยการรักษา คือรักษาหน้าที่การงานรักษาเงินคําทรัพย์สมบัติอย่างนี้แล้วก็กัญยาณามิตตาให้คบเพื่อนที่ดีงามอย่าไปคบเพื่อนเลวเพื่อนเลวคืออะไรคือเพื่อนที่ชวนไปกินเหล้าชวนไปเที่ยวเตะขี้เกียจทําการทํางานขี้เกียจ เ, เรียนหนังสือความหายนะก็จะเข้ามาสู่เราได้ไง่ายๆเพราะพ่พอแม่ส่งมาเรียนหนังสือไม่ใช่ส่งมาทเที่ยวมาเตะ อันนี้เรียกว่ากัลยาณมิตรตาให้ดูเพื่อนอย่าไปตามใจเพื่อนจนเกินไปจนเสียการศึกษาของเราและก็สัมมาชีวิตตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอย่าไปลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตอย่าไปคดไปโกงไปป้นไปจี้เขามาเลี้ยงชีวิตของเราอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ทิฏธรรมมิจตรประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันสี่อย่างอุตสาหนะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมัน่นความขยัน รักษาสัมปทาถึงพร้อมโดยการรักษาหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติกัลยาณมิตถตาคบเพื่อนที่ดีงามสำ ม, มาชีเวตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบและกัสามปรายทกับประโยชน์คือประโยชน์ในภายภาคหน้าสอย่างอันนี้กระทั่งก็สอนอีกศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมโดยศรัทธาคือเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญได้บุญทำบาปได้บาป สีและสมธาถึงพร้อมคุยศินรักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยแล้วก็ปัญญาสัมปทานถึงพร้อมโดยปัญญานี่แหละศินสมาธิปัญญาเนี่ยนะอันนี้เรือสป ร, รายิ่งคดประโยชน์คือประโยชน์ในภายภาคหน้าเพราะพุทธจ้าท่านก็นสอนไว้อีกเพราะฉะนั้นพวกลูกหลานทั้งหลายทั้งประโยชน์ในปัจจุบันทั้งประโยชน์ในภายภาคหน้า อย่าได้ขาดตกบกพร่องในการเป็นอยู่ของพวกเรานะอันนี้หลวงพ่อได้พูดบรรยายเกี่ยวกับการศึกษาการเป็นอยู่ของลูกหลานมามากพอสมควรต่อ น, นี้ไปจะเข้าประเด็นในภาคปฏิบัติเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเนะีกรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเพราะพุทธเจ้าท่านสอนบาป บ, บุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก อันนี้ลูกหลานจะเชื่อและไม่เชื่อก็ต้องฟังเอาไว้ก่อนอย่าพึ่งปฏิเสธเพราะวิชาในโลกนี้มีมากมายหลายเรื่องหลายราวจริงๆแต่สมัยก่อนโทรทัศน์ยังไม่เข้ามาเมืองไทยได้ยินว่าโทรทัศน์เขาว่ามีเสาขึ้นมาแล้วเปิดอยู่ในบ้านก็มีลูกสมัยนะั้นพวกคนแก่ผู้เเ่าผู้แก่ทั้งหลายแหลนโหเป็นไปไม่ได้จะเป็นไปได้ยัง ไ, งไงไปส่งไงส่งลูกเข้ามาในบ้าน อันนี้ก็ถกเถียงกันพูดไปเห็นเขาก็พูดอย่างหัวเด็ดตีนขาดแต่พอมาชาวบ้านชาวพานก็ไม่เชื่อว่าเด็ดตีนขาดเหมือนกันแต่ทุกวันนี้ก็อย่างที่ว่าเป็นไปได้ทั้งหมดอันนี้ก็เหมือนกันในหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนมาพวกเรายังไม่ได้ศึกษาท่องแท้อย่าพึ่งปฏิเสธให้ฟังเอาไว้ก่อนฟังหูไว้หูหรือฟังไว้ในใจจากนั้นเราค่อยพิสูจน์พิสูจน์ตามแนวแถวที่ ผูบายการหลวงปู่หลวงตาที่หลวงพ่อได้เอ่อยชื่อเบื้องต้นนั้นท่านปฏิบัติฝนคว้ามาแล้วอยู่ในป่ารงพงไพ่ท่านเชื่อมั่นว่าตายแล้วเกิดอีกแน่นอนนรกสวรรค์มีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะฉะนั้นพวกลูกหลานทั้งหลายให้ฟังเอาไว้เพราะพวกเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นลูกหลานของพระพุทธศาสนาลูกหลานหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกลูกหลานทั้งหลายให้ ท่างอกต่างใจนะและก็ศึกษาในทางพระพุทธศาสนาด้วยในครั้งพระพุทธเจ้าของเราที่พระพุทธองค์ประกาศพระพุทธศาสนามีหลายหมู่หลายกลุ่มหลายคณะที่เขามาเกี่ยวข้องพระพุทธองค์ก็ได้โปรดเทศนาว่าการคนก็เชื่อบางไม่เชื่อบงังคนที่ไม่เชื่อก็มีคนที่เชื่อก็มีแต่พระพุทธองค์ท่านก็บอกว่าขนบัวกับเขาวัวอันไหนมากกว่ากัน ท่านก็บอกว่าเขาวัวน้อยกว่าขนวัวนั่นแหละท่านบอกว่าคนที่เชื่อมีน้อยแต่คนที่ไม่เชื่อนั้นไม่มีมากเพราะฉนั้นมาถึงยุคนี้สมัยนี้เราก็ไม่ต้องตกอกตกใจไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าความเชื่อของคนนั้นมันมีมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าแล้วขนาดพระพุทธเจ้าเอาของจริงมาพูดแท้ๆคนทั้งหลายก็ยังปฏิเสธยังไม่เชื่อ คนนั้นมาถึงยุคสมัยนี้พวกสุดท้ายปลายแดนอย่างพวกเราแนะนำสั่งสอนจะให้คนเชื่อทุกคนคงเป็นไปไม่ได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าพวกเราได้ยินได้ฟังลูกหลานได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปคิดไปตร่ตรองเหตุและผลในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักอะไรพระพุทธองค์ท่านบอกว่าทำดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วกรรมคือการกระทา เพราะฉะนั้นพวกลูกหลานทั้งหลายทางว่าทากรรมดีแล้วกรรมดีนั่นก็จะตามสนองถ้าทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะตามสนองเช่นเดียวกันอย่างที่ในธรรมมัฏัตกรถาท่านสุภาพุทธะเนี่ยท่านเป็นอุบาสกแต่ท่านเป็นโรกเรื้อนโรคคุทราศเนี่ยมั้งโรกเรื้อนร่างกายอัปปะรักกว่างั้นะท่านได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอยู่นอกพุทธบริษั ให้ค้าวเข้ามาในบริษัทไม่ได้ไหมเป็นโรคใครๆขากำลังเกียดแ น, นั้นเขาก็ฟังอยู่ข้างนอกพระองค์ก็แสดงธรรมพอแสดงธรรมเขาได้สําเร็จพระสูดาบันเขามีอุปนิสัยเก่าอุปนิสัยเก่าของเขามีพขาฟังธรรมและเขาได้สําเร็จพระสูดาบันเพราะได้สําเร็จที่นี้อยากจะมากราบพระพุทธเจ้าแต่เข้ามาไม่ได้เพราะว่าคนห้อมร้อมอยู่ จากนั้นคนก็หนีหมดพุทธองค์ก็กลับที่พักพระเชตวันสุปาพุทธะเนี่ยก็อยากจะไปรายงานว่าตัวเองเนี่ยได้บรรลุธรรมที่พระพุทธองค์ได้แสดงทีนี้ก็เดินไปเพื่อจะไปกราบพระพุทธเจ้าเป็นส่วนตัวเพางั้นแต่ทีนี้ก็ไปถึงครึ่งทางเทวดามาทดลองสุปาพุทธามากรมายืนหยุดบนอากาศก็ถามว่าสุปาพุทธจะไปไหน ข้าพเจ้าจะไปกราบพาปประพุทธเจ้าสุปปุทธะท่านเป็นคนจนท่านไม่มีเงินท่านเป็นคนกำพา้าอย่าไปเลยถ้าว่าท่านนะปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าไม่จริงพระธรรมคำสังสอนของพระพุทธเจ้าไม่จริงพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของจริงไม่มีจริงเราจะให้เงินแก่ท่านจะเอาเท่าไหร่เราจะให้แก่ท่านสุภ ป, ปพุทธะบอกว่ า, วาท่านเป็นใครมาพูดเน่ย ทำไมท่านจึงพูดพ่านถึงขนาดนี้เป็นภาระชนถึงขนาดนี้พระอินทรู่บอกว่าเราเป็นเทวดาเทวดาก็เทวดาได้ดเทวดาไม่มีคุณธรรมเพราะพุทธเจ้าเป็นของจริงพระธรรมเป็นของจริงพระอริยสงฆ์เป็นของจริงจริงคำนี้คล้ายๆว่าสุปาพุทธพิ ธ, ธีสัมผัสด้วยตนเองคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์จริงๆที่แนะนําสั่งสอนออกมานั้น ล้วนแล้วจะเป็นนิยานิธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้พ้นทุกข์ให้มีความสุขสงบเย็นใจได้ไม่เป็นอย่างอื่นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแนะนําพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสู่ชุมชนสังคมมีประโยชน์อย่างมากเพราะนั้นสุภปปพุทธท่านอย่างลึกถอนไม่ขึ้นเวลางั้นเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ไม่มีอะไรที่จะถอนขึ้นมาได้แต่นี้ท่านก็ไปกราบพระพุทธเจ้าไปถึงพระองค์พระพุทธเจ้าท่านก็ถามเป็นไงสุปปาพุทธะพระอินไปก่อนเหมงอนกันเทวดาไปก่อนไปกราบพระพุทธเจ้าก่อนข้าพระองค์ได้บอกกับสุปปาพุทธะอย่างนี้พรธองค์บอกว่าถึงท่านจะบอกเป็นร้อยเป็นพันก็ตามจะเปลี่ยนหัวใจสุปปาพุทธะไม่ได้เพราะเขาเชื่อมั่นแล้วว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีจริงถ้าจะเปรียบเทียบแบบ ง, ง่ายๆก็เหมือนกับ คนที่ไปจับไฟนะไฟไม่ใช่ของร้อนนะไฟเป็นของเย็นนะใครจะมาพูดกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนคนเราจะไปเชื่อได้ยังไงว่าไฟมันเย็นไฟมันก็ต้องร้อนวันอย่างค่านะนะั่นนหละออันนี้ก็เหมือนกันตุปปาพุทธาในท่านอย่างลึกเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วใครจะถอนขึ้นมาได้เพราะท่านเป็นพระอริยะบุคคลพระโสดาบันแล้วถอนไม่ขึ้นเพราะเชื่อในภาคปฏิบัติของท่าน ใจเชื่อแบบลอยๆเชื่อแบบฟังๆกันมาอันนั้นอาจจะถอนได้แต่ถ้าว่าได้ประพฤติปฏิบัติตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าแล้วเชื่ออย่างร้อยเปอร์เซ็น์ไม่เป็นอย่างอื่นเชื่อในตัวของเราเองตัวผู้ปฏิบัติเองผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองอย่างพระธรรมคําสั่งสอนสวากาโต้ก็ขวาตาธโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติรู้ได้โดยตนเองสันทิฏฐิโก อ, อากาลิโกไม่มีการไม่มีเวลานะ ใ น, นสุ ป, ปธธาคุถะนี่ท่านก็ปฏิบัติตายอย่างนั้นแต่พอท่านปราบพระพุทธเจ้าออกมาแล้วพอออกมาพ้นวัดวัวตัวเมียนะขิดสุ ป, ปธธาคุถธตายท่านที่เป็นประสูดาบานนะตายอย่างนั้นพระสงฆ์ก็เลยได้กลาบทูลพระพุทธเจ้าว่าสุ ป, ปธธาคุถธเนี่ยเขาตายไปแล้วก็ไปเกิดที่ไหนพระพุทธองค์บอกว่าเขาไปเกิดชั้นดาวดินเอาไปเป็นเทวดา เอาทำไมเขาจึงถูกวัวชนตายแล้วเขาทําไมจึงเป็นโรคเรื้อนพระเจ้าค่ะพราะพุทธองค์บอกว่ากรรมของเขากรรมชั่วของเขาในอดีตคือสมัยก่อนเนี่ยวัวตัวนี้เนะ่ยเคยฆ่าคนมาสี่คนแล้วเออพาหิยะก็ใช่วัวตัวนี้ชนแล้วก็จุปาพุทธานี่ก็ใช่แล้วก็ลูกเศรษฐีอีกคนหนึ่งก็ใช่หัวหน้าโจนคนหนึ่งก็ใช่วัวตัวนี้ชนทําไม เพราะว่าสี่คนในสมัยนั้นเป็นลูกเศรษฐีพาผู้หญิงหากินเห้ือนกนไปลุมโสมเขาเสร็จแล้วก็เอาเงินให้เขาทีแรกเอาเงินให้เขาว่าจ้างเขามีเครื่องประดับมีเงินกันก็หาปณะแล้วก็มีเครื่องประดับพร้อมพรอลูกเศรษฐีสี่คนพอเสร็จแล้วก็ไม่มีใครเห็นหอกแถวเนี่เราฆ่ามันได้วะเอาเครื่องประดับเราคืนเอาเงินเราคืนดีกว่าผู้หญิงหากินคนนั้นเขาบอกโอ้ มาทำปุยยี่ปยยำกับเราแล้วจะมาฆ่าเราอีกเอาเถอะทางว่าพวกท่านทั้งหลายฆ่าเราเกิดพบใดชาติใดขอให้ข้าไปเจ้าได้ฆ่าพวกสูเจ้าทุกพบทุกชาติทีนี้พวกนั้นก็ฆ่าจริงๆฆ่าจริงกัหมกผู้หญิงคนนั้นไว้ในป่าฝังเลยว่างั้นเะจากนั้นก็ต่างคนก็ต่างออกมาตั้งแต่ชาตินั้นะเป็นต้นมาผู้หญิงคนนั้นก็เลยเป็นยักษิขีดีสิงอยู่ในวัวพอพวกนี้นเห็นมาขีดเอาเป็นร้อยอัตภาพนะ เกิดมาเป็นร้อยชาติแล้วไงสุภปปาพขุท tha เนี่ยเป็นชาติที่ร้อยหลนี่ยอย่าที่บัวตอนนั้นหิดตายว่างั้นเพราะวัวตอนนั้นมันยังอาฆาตอยู่นายสุปาพุท t นี่ลงมาเกิดอีกถ้าเป็นพระโสดาบันระดับไหนพระโสดาบันมีสามระดับนะสามระดับคือเอกพิชีเกิดชาติเดียวลงมาเกิดอีกชาติหนึ่งก็บำเพ็ญได้สําเร็จเป็นพระหันถ้าลงมาเกิดอีกสามชาติน่ะก็ว่า โอลังโกราเนีสามชาติสตุกตะประมะณเจดชาติถ้าในสุ ป, ปพุทธะมาเกิดเจ็ดชาติวัวตัวนี้ก็าคงจะชนทั้งเจ็ดชาติเหมือนั้นแหะจากนั้นก็กรรมตัวนี้ก็ตามหาไม่เจอล่ะเพราะว่าสุ ป, ปพุทธะท่านเข้าสู่ปรินิพานไปแล้วกรรมตัวนี้ก็เป็นโอโหสิกรรมทั้งสองคนนะ่ยพระพายยะท่านเนีเป็นพระรหารแล้วกรรมตัวนี้ก็ตามไม่ถึงอีกละเหมือนกันเหมือนนั้นแหะกรรมวัวตัวนี้ที่ปลูกอาคาตก็ไว้ นี่แหะกรรมมันมีจริงนะคนที่ได้รับผลกรรมก็คือคนที่ได้ไปทําเขาไว้เนี่ยเขาก็จองเวรมันเก็บใจเหมือนนั้นเถะเขาก็ปลูกพยาบาทอาฆาตเอาไว้เกิดพบใด้ชาติใดขอให้ข้าไปเจ้าได้ฆ่าพวกนี้ทุกพบทุกชาติเนะี่ยมันก็ได้ฆ่าจริงๆนะเป็นวัวชนตายเลยเหมือนนั้นเถะแต่นี้พระสงฆ์ก็เลยถามว่าทำไมเขาจึงเป็นโรคเรื้อนพระเจ้าขาสมัยหนึ่งเขาเกิดเป็นคน เห็นพระประเจกาพุทธเจ้าเดินบินธบาตเขาแสดงอกับกิริยารังเกียจแล้วก็ถมน้ํำลายแปลว่าดูถูกว่างั้นเถอะถมน้ําลายแล้วก็เวียนซ้ายว่านั้นตามไม่จริงท่าว่าเคารพบัณฑิตนักปราชญ์หรือเคารพพระพุทธเจ้าต้องเวียนขวาไอ้เทียนี่ปีเวียนซ้ายเหมือนกับเราเวียนศพอย่างนั้นศพขึ้นเวีนเราเวียนซ้ายเดินเวียนซ้ายอันนี้ก็เหมือนกันสุภปุธัสมัยนั้นเกิดขึ้นมาเราเห็นพระประเจกเดินมาถุยน้ําลาย และก็เวียนซ้ายไม่เคารพเพราะงั้นไม่แสดงความเคารพเขาลเลยไปไม่หยุดในนรกอยู่มากพอสมควรเกิดมาแล้วยังเป็นวิบากกรรมติดตามเขาอยู่เขาก็เลยเป็นโครคเรือนในชาตินี้เป็นคนทุกข์ด้วยเป็นโรคเรื้อนด้วยนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านรู้ทั้งหมดว่าจุดูปปาตยานการจุติของสัตว์กรรมเป็นมาอย่างไรของมนุษย์ชาติของเราเพราะฉะนั้นพวกเราเกิดมาจริงไม่เหมือนกันคนหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งคนหนึ่งเป็นอย่างหนึ่ง คนหนึ่งก็ได้รับทุกข์รับยากบางคนก็ร่ำรวยเพ่อบุญกุศลส่งผลไม่เหมือนกันคนนั้นในหลักของพุทธศาสนาอย่างพวกเราได้ศึกษาดูแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะนั้นทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนะเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายที่เป็นนักศึกษานะให้ฟังเอาไว้นะให้ศึกษาแล้วฟังเอาไว้อยา่าพึงปฏิเสธถ้าว่าพวกเราอยากจะรู้จริงๆกันนั่งภาวนา อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำสัง่งสอนพระพุทธเจ้าตัดสั้ที่โคลนต้นโพนปุเพนวาสานุสติยานในลึกชาติผลหลังได้จุตูปปาตยานรู้จากการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่และอาต ย, ยานัศนะ้าจิตเข้าสู่ความสงบเกิดฌานขึ้นมาแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องเชื่อใครแต่ขณะนี้เรายัางไม่ได้ทาถึงขนาดนั้นเราเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อน ถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ไม่เชื่อพระแม่กูบาจาน์นเราเหมือนกับตาบอดและประมาทไม่มีดอกนาลกสวรรค์เราจะถลําลงไปลึกมากว่างั้นเถอะเพราะฉนั้นพวกเราให้เชื่อเอาไว้ะก่อนเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เชื่อกูบาจานันหลวงปู่หลวงตาที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเรานะอันนี้ก็คือศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อนะ ที้มาพูดถึงภาคปฏิบัติท่นี้อันนั้นคือการเป็นอยู่ของพวกเราคล้ยๆว่าให้เป็นผู้คิดอ่านอย่าไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้รู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักบาปปุลคุณโทษสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำถ้าจะประมวลออกมาแล้วก็คือเป็นหมวดของศีลที้มาพูดถึงเรื่องสมาธิเราควรจะคิดอย่างไรก่อนที่พวกเราทุกๆคนนะลูกหลานทุกคนก่อนที่จะรับจะนอน ควรจะไหว้พระเสะก่อนเพราะเราเป็นพุทธมามะกะพุทธบริษัทเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าตอนที่จะหลับนอนไหว้พระเสะก่อนอรหังสัมมาสัมพุทธโธสวาคาโตสุปฏิปันโนไหว้พระเสะก่อนจากนั้นก็นึกในใจนะข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการดังที่ข้าพเจ้าปรารถนาอันนี้คือการแผ่เมตตาแบบพรวรัก เมื่อเราแผ่เมตตาเราอยากจะให้คนอื่นมีความสุขอย่างเราเราต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างเราอันนี้คือแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายคนที่มีเมตตาจะไปที่ไหนไม่มีเวรไม่มีภัยไม่ได้คิดพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครใใจของเราเป็นกุศล น, นอนหลับและตื่นก็ไม่ฝันร้ายคนที่มีเมตตาใน จ, ใจิตใจเพราะนั้นให้ลูกหลานทั้งหลายพยายามไหว้พระสวดมนต์และก็แผ่เมตตาใน จ, ใจิตใจ ให้สัพสัตทั้งหลายให้เขามีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการปรารถนาจากนั้นก็นั่งสมาธิอย่างพระประธานนั่งอยู่ข้างหน้าของพวกเราท่านนั่งยังไงขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงหลับตาดารงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโภ หายใจเข้าพุทหายใจออกถอ น, นี่แหละคือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะตัดสรุปที่โคนต้นโพท่านกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออกสั้นยาวท่านรู้นะแต่ท่านไม่ได้บริกรรมพุทโธแต่ต่อมาหลวงปู่มั่นของเราเห็นว่ากําหนดเฉยๆยังไม่เพียงพอจิตของเรามันยังมีช่องว่างมันยังมีช่องออกไปอยู่ทึานจึงให้บริกรรมพุทธ โปรให้โมเลก ร, รมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทธ่ะถ้าว่ามันยังไม่อยู่ให้กําหนดดูนะถ้าผู้เคยปฏิบัติมาแล้วให้กําหนดที่จมูกของเราให้ดูร่างกายของเราเป็นยังไงอยู่ที่ไหนสมมุติว่ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมันยังมีอันนั้นอยู่มันยังออกไปอยู่ให้กําหนดให้เห็นแต่กระดูกดูซิกาหนดลมเข้าในรูจมูกที่เป็นกระดูก ไม่เห็มีเนื้อมีอะไรมันเป็นยังไงเพราะเรามันมีกระดูกจริงๆนะในร่างกายของเราไม่เป็นอย่างอื่นนะให้เขา้าให้มันมีความสํานึกอยู่ในนั้นอีกทีหนึ่งว่าน่ะเอีทดลองดูทามันยังออกอยู่งั้นให้เห็นตัวนี้อีกทีหนึ่งให้มันเห็นสองตัวเห็นลมด้วยก็เห็นกระดูกด้วยเห็นสองอย่างพร้อมกันเนี่ยให้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่าไปกําหนดไปที่อื่นอย่าให้มันออกไปที่อื่นเหมือนเรายืนอยู่ข้างประตู ประตูบันไดของเราเนี่ยคนเข้ามาเราก็รู้คนออกไปเราก็รู้คนเข้ามาเรารู้คนออกไปเรารู้อันนี้ก็เหมือนกันกำหนดลมหายใจเข้าผ่านจมูกเราก็รู้ลมหายใจออกเราก็รู้ไม่ต้องตามลมออกไปและไม่ต้องตามลมเข้าไปทไั้งในยืนอยู่ข้างๆให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกนั้นสติเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับภาคปฏิบัติแล้วจิตตภาวนาในสติเป็น อย่าให้เผลอถ้าเผลอไปว่าขาดจากการภาวนาถ้าว่าติตยังมีอยู่ตราบใดสมาธิของเราก็ยังอยู่ตราบนั้นเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะวันนี้ให้นั่งภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโกหายใจเข้าพุทใหายใจออกโปอันนี้คือคือปฏิบัติกรรมาฐานเบื้องต้นแต่บางคู่บางคนหลวงพ่ออาจจะพูดล้าไปด้วยก็ได้นะ เนี่ยบางคนภาวนาไปแล้วพอจิตสงบขึ้นมาแล้วอาจจะเห็นนิมิตนะสิ่งที่น่ากลัวอันนั้นเป็นตองกลัวพอเห็นนิมิตเกิดขึ้นเรากำหนดมาหากรรมาฐานเดิมคือเรากำหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธเมื่อเราสลับออกไปไปเห็นนิมิตเรื่องต่างๆขึ้นมาสิ่งที่พอใจก็ดีอกดีใจถ้าสิ่งที่ไม่พอใจเราอาจจะเห็นสิ่งที่น่ากลัวนะให้ย้อนกลับมาหากรมาฐานเดิม กรรมฐานเดิมคือพุทโธพุทโธเนี่ยน่ะนิมิตเหล่านั้นก็จะหายไปเองเหมือปนปิดเทิ้งเลยว่างั้นเถะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวนะลูกหลานถ้าไปนั่งอยู่ที่บ้านที่เรือนก็เหมือนกันถ้านั่งภาวนาจิตเข้าไปมันสงบรกหรอมันเห็นสิ่งต่างๆเข้ามาให้ย้อนจิตเข้ามาหากรรมฐานเดิมคือกรรมฐ า, านพุโทโธพุทโธเนี่ยน่ะนิมิตเหล่านั้นก็จะหายเหมือปนปิดเทิ้งเลยว่างั้นเถะฮ่าแต่บางคนพอนั่งภาวนาแล้วก็เห็นนิมิตขึ้นมาก็พยายามตามดูนิมิต เออมันจะไปเรื่อยๆเมื่อก็ฉายหนังนะวางั้นเถะไม่มีที่สิ้นสุดบางคนมันเป็นอย่างนั้นแต่บางคนก็ไม่เป็นนะไม่ต้องการอยากจะให้เป็นอย่างนั้นลนะ่ะให้รู้ลมหายใจเข้าออกจิตสงบแล้วก็พอละนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดเสียยืดยาวตั้งแต่เริ่มต้นการเป็นอยู่ให้สํานึกสําเรลียกตัวเองว่าเราอยู่ในสถ า, านะไหนเราเกิดมาจากพ่อแม่ย่าให้พ่อแม่หนักอกหนักใจกับเราพราเราเป็นผู้ใหญ่แล้ว และอีกไม่นานเราก็จะเป็นบัณฑิตแล้วแล้วก็ไปพูดเรื่องเกี่ยวกับกรัมผลของกลัมคือการกระทำํทำทารีได้ดีทําชั่วได้ชั่วมาบุญคุณโทษมีจริงตายแล้วไม่สูญจากนั้นก็นมาพูดถึงเรื่องภาคปฏิบัติจิตภาวนาให้พวกเรากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนะแต่าทำก็ก่อนหลับก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์ซะก่อนเพราะเราเป็นทุกษิตพระพุทธทเจ้าเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธทเจ้าก็ทำประสงค์เป็นสระเป็นที่พึ่ง จากนั้นก็นั่งภาวนาการนั่งภาวนากำหนดลมหายใจเขาออกเป็นผลสืบเนื่องนะลูกหลานนะถ้าว่าลูกหลานทำได้แล้วเมื่อเท่าเกาชลาจะเป็นคนที่ไม่ ว, าว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศรา้าเป็นคนที่เบิกบานรู้เท่ารู้ทันรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักปลงวางเมื่อนั้นรู้จักบาปบุญคุณโทษถ้าว่าเราได้ฝึกหัดจิตภาวนาวไว้แล้วจิตใจของเราจะเข้มแข็งไปเรื่อย แตว่าพวกเราไม่ได้ฝึกขัดอิตภาวนาแล้วต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเท่าแก่ชรลาหาที่พึ่งไม่ได้คิดถึงลูกคิดถึงหล้านคิดถึงคุ น, น, คนู่นคุนี้ผลที่สูดก็เลยเป็นนิสัยซึมเศร้าเข้ามาเยือนสำหรับคนแก่ที่มันมีหลักใจเพราะนั้นพวกลูกหลานควรจะฝึกไว้ตั้งแต่บัตรนี้แหละเราต้องแก่แน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นถึงจะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เถอะนะหลวงพ่อก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกับลูกหลานนะั่นแหะ แต่เดือนนี้หลวงพ่อเราอายุหกสกว่าปีแล้วจะอยู่กับลูกหลานไปนานสักเท่าไหร่หลวงพ่อไม่มั่นใจเหมือนกันนะั่นน่ะเพราะนั้นพวกเราทุกคนก็เดินตามหลังกันไปเรื่อยๆเดินไปเดี๋ยวไเดี๋ยวกคนท่านหายไปเดี๋ยวคุณนี้หายไปเอหายนู้นหายนี่หายไปเรื่อยๆเพรางั้นเถอะผลที่สุดวันนี้ไม่มีใครที่จะอยู่ในโลกวัตะสงสาร น, นี้ได้นานหรอกต่างคนกต่างหายจากกันไปเรื่อยๆเพราะนั้นพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาท ให้สั่งสมบุญกุศลถึงจะหายไปจากหมู่จากคณะกลับไปก็ล่ํารวยไปภาคหน้าเพราะได้เตรียมเงินเตรียมทองไว้แล้วในขณะที่เราเดินทางสาะแสวงหาทรัพย์ไปด้วยส่องแสวงทรัพย์ก็คืออะไรก็คือการสั่งสมบุญนั่นแหละนะสั่งสมบุญเข้าสู่จิตใจแล้วไปที่ไหนมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขทางนั้นแหะการพูดการแสดงธรรมก็เห็นว่าพอสมควรขอยุติเพียงเท่านี้เอาตอนนี้ไปนั่งสมาธินะที่นี่นะ นั่งเหมือนพระประธานนะนะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเมื่อนั่งขัดสมาธิเรียบร้อยแล้วนะให้ปนมมือขึ้นระหว่างอกให้ปนมมือซะก่อนเมื่อเราตั่งขัดสมาธิเรียบร้อยแล้วให้ยกมือขึ้นระหว่างอกปนมมือนึกพุทโธธรรมโธสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็ เราตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะให้สติอยู่กับลมหายใจเข้าออกจนกว่าจะออกจากนั่งสมาธิตั้งจิตอธิษฐานไว้อย่างนั้นในใจจากนั้นก็เอามือลงนะพอเอามือลงแล้วกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะอ่จากนั้นหลวงพ่อจะบอกเออเอาพ่อนะยังค่อยออกแล้วเวลาออกจากสมาธิทุกครั้งนะให้เราแผ่เมตตาเออบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้นั่งสมาธิในวันนี้ ถึงจะล้มลุกโคตรพานได้บางเสียบางคิดปรุงไปที่อื่นบงังนึกพุโทโธบงังบุญกุศลที่เกิดจากการนั่งสมาธิขอให้อุทิศส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงาายายาศาคนาญาติญาติมิตรสหายแห่เจ้ากรรมในเรือนของข้าพเจา้าถ้าหวะตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ทำมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนึกในใจอย่างนั้นก่อนออกจากสมาธิทุกครั้งนะเอานั่งสมาธิทีนี้